ข้อความในสุตตานิบาตคำพีคู่ทกานิกายมานันนี้มาขึ้นคาถาที่ห้าข้าควิสานสูตรเนี่ยในหน้าหนึ่งข้อความในอัตถกาถาข้าคาวิสานสูตรกล่าวว่าได้ยินว่าพระพิสุ ร, รูปหนึ่งเป็นพระโยคาวจรคือผู้ที่เจริญสมถวิปัสนา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 ถ้าศีลดีก็เพศ ช, ชายถ้าศีลไม่ดีก็ชายก็แปลไปเป็นหญิงแต่เป็นหญิงแล้วยากที่จะกลับไปเป็นชายคืนเอาบอกทำไมอ่ะก็เพราะมัวแต่ยินดีในเครื่องประดับเป็นต้นเนะเพราะมัวแต่ติดในเครื่องประดับติดในอะไรเลยละ่ะ อ, อย่างก็เลยยากน <c oughs> เคยชอบไม่ใช่เลยตอนนี้อใช่หรือ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 อาจจะแต่งด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าผัวไม่รักพ่อแม่ผัวก็เกลียดชังในตระกูลแม้นั้นครั้นเขาปราศัยนักสักกเรกหมายว่าได้เวลามีงานมหรสพมีสวนสนุกเป็นต้นเนี่ยนะบุตรเศรษฐีก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะเล่นกับทิดาของเศรษฐีนั้นแปลว่าผัวสามีเนี่ยไม่รักตัวอยู่แล้วถ้ามีการมีงานจะชวนเมียไปเที่ยวไหมไม่เอาก็เลยไปหาจ้างหญิงแพร่สายสบายใจกว่าัน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 ก็ที่จริงเนี่ยนางคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะอดีตชาติเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นพระภิกษุบวชมาอย่างดีนะแต่ว่าแม้พลาดไปพอพลาดมาแล้วหลังจากนั้นก็เศร้าอย่างเดียวธิดาเศรษฐีก็เกิดอุตสาหะด้วยเหตุสักว่าถ้อยคำปราศัยแม้ประการเพียงนั้นนะดีใจมากที่สามีพูดด้วยนะอนุ ญ, ญาตให้ไปเที่ยวด้วยก็ดีใจก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะเล่นนักกษัตริย์แล้วก็จัดแจงของเคี้ยวของบริโภคจํานวนมาก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 นั่งแลดูทางอยู่นั่นแหละจนจนตะวันสายก็เลยส่งคนทั้งหลายไปไปถามดูว่าบุตรเศรษฐีเป็นยังไงช้าจังคนเหล่า น, นั้นก็กลับมาบอกว่าบุตรเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วนางก็เลยถือเอาของเคี้ยวของบริโภคกันนะที่ระเตรียมนั้นทั้งหมดขึ้นสู่ยานปรารบไปเพื่อจะไปอุทยานบอกเขาไม่ให้เราไปเราก็ไปคนเดียวก็ได้เหมน ลำดับนั้นพระปเจกพระพุทธเจ้าที่เงื้อมนันทามูลกะออกจากนิโรธสมาบัติในวันที่7ล้างหน้าที่สาโนดาเคียวไม้สีวันนาคลดาเนึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเพีกษานะที่ไหนเห็นทิดาเศรษฐีนั้นก็รู้ว่าทิดาเศรษฐีคนนี้ทําสักการะในเรากรรมนั้นจัะถึงความหมดสิ้นไปเศษกรรมที่ไปร่วงกาเมจะหมดแล้วถ้าเราไปสงเคราะห์นาง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 พอทำบุญเสร็จก็ปิดด้วยดอกปรทุมเอาดอกบัวนี่วางไว้ข้างบนทําดอกประทุมไว้ใต้บาทอ่าข้างบนก็เป็นดอกบัวข้างล่างก็เป็นดอกบัวถือกำดอกไม้เข้าไปหาพระประเจกพระพุทธเจ้าถวายบาทที่มือของท่านไหว้แล้วก็ถือเอากำดอกไม้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเกิดในที่ใดๆก็ขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมหาชนในชาตินั้นๆ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 ลำดับนั้นพระประเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับบาดและก็กาดอกไม้แล้วก็ยืนในอากาศนะนะแหมขออนุมโมทนานี่มันน่าชื่นใจนะแล้วก็อนุมโมทนาแสดงความยินดีกับที่ดาของเศรษฐีด้วยคาถาว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเะเมวัสมิชโตสเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนารโสยธานะนะ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 ตั้งความปรารถนาตั้งอัตตาสัมมาปณิทีเนี่ยนะก็เรียกว่าตั้งความอัตตาสัมมาปณิธิเหมือนนเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานว่าขอธิดาของเศรษฐีจงเห็นเราผู้กําลังไปเถิดเสร็จแล้วท่านก็เหาะไปสูงเงื้อนันทมูละกะปีติใหญ่ก็ได้เกิดแก่ทิดาเศรษฐีเพราะได้เห็นพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นอกุสุลกรรมที่ทําไว้ในระหว่างภพก็สิ้นไปเพราะไม่มีโอกาส